กลาเป็นที่หลวงพ่อเรียกว่ายานนะครับซึ่งคือเริ่มต้นของการเจริญนิพพานส่วนความรู้สึกตัวที่เกิดจากนามของเขียนไว้ว่าเช่นเช่นนามลูกนะซึ่งเป็นตัวที่ก่อให้เกิดทุกข์เราสามารถใช้ความรู้สึกตัวเป็นญานเนี่ยแก้แก้ปัญหาเมืองรูปครับ อะไรอธิบายเพิ่มเติมไหมต้องการอธิบายจากเพิ่มตามที่เข้าใจจากที่เราได้ตอบไปแล้วหมได้ครับผมถือว่าคําตอบนั้นสมบูยยมรณ์มมแล้วยังตามทางที่ของผมเนี่ยผมว่าสมบูรณ์นะครับมีอยู่คําหนึ่งที่ว่าเมื่อตามดูเวทนาแล้วจะไม่เกิดสติสัมยามันเกิดได้อย่างไร ว่าตัวเวทนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกกับนาำใช่ไหมใช่ครับผมเมื่อตามดูเวทนาไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดสรรติสั ม, มยาทําให้เกิดได้อย่างไรก็คือสมมุติว่าเวลาเราจะปีคุณทวีเอะไรใช้ลดเสียงลงหน่อยเชิงไหม่รรกิเกิดสติมันไม่ยจจา ก, ก็คือเวลาเวล า, เวลาเราจะปินสมมุติว่ามันมัน เ, เ, เกิด้ัวเวทนาบรรจารถไหมครับเราปีนอยางเราก็ตาม ตามรู้ตามดูเวทนาที่เกิดที่ททหลวงพ่อได้อธิบายว่ามันเป็นสระดับคืออยากการเริ่ม ก, กับเวทนาที่เป็นต่อบทซึ่งเป็นความรู้สึกเล็กๆถ้าเราจเจริญสติจ น, นเราตั้งมั่นพอสมควรเนี่ยเราถึงว่ า, าเวทนาเริ่มเกิดขึ้นในขณะเดียว ก, กันเราก็มีสติรู้ถึงการเจริญสติของเราตั้งมั่ น, นอยู่นะครับถึงระดับการที่หลวงพ่อเรียก ว, ว่าพุทโได้นี่ ก็ก็ยังเรายังไม่ต้องเปลี่ยนจนถึงอยากที่สุดซึ่งมนหนักดวงเราไม่สามารถจะถูกอยู่ในสภาพนี้ได้เราก็ปิดขปอันนี้ก็คือเราใช้สิทธินมัจญาครับถ้าคุณวิชัยเข้าใจแล้วก็สัมผัสได้ไหมกับคำตอบที่ตอบนี้หรือว่าเป็นเพียงความจำเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยที่ปฏิบัติโดยการนั่งนั่งเคลืนไวี่โยความาสัมผัสได้ ตอนนี้บางทีมันมันไม่ได้ทั้งทังสามระดับเพรก็อะไรผ่านการปฏิบัติธรรเนี่ยในในในรูปแบบเดียวการท่านเคลือนไหแต่ว่าความจริงแล้วเรามีเวทนาตลอดใช่ไหมใช่ครับท่ทีนถ้าหากว่ามีเวทนาตลอดในการสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นสติสัมยักว่าสามารถเปลี่ยนได้ตลอดไหมได้านแรกตลอดแต่ทําไมไม่ทําวะ จำอย่างนึงครับอยังคุณว่านงเคลื่อนไหวมืออยู่เนี่ยางทีน่นั่งตายเนหลังพอเรามรูล้ลยว่าอันนี้อันนี้ทุกเกิดเวท น, นาเกิดแล้วยือตัวตรงนี้อืมหมายความว่าสิ่งที่ตอบไปนี่หมายความําทำได้อยู่นะยังทำได้อยู่ครับยังอยู่ครับโอเคต่อไปคุณวิทวีชัยเอานี้ไป ไปให้คุณนิคมคุณนิคมอ่านปัญหาแล้วตอบปัญหาไปอย่างไรคุณพูดไปเลยไม่จำที่หลวงพ่อถาม ต่อทีเกิดขึ้นในในในจริงครับซึ่งเป็นที่เกิดของอารมณ์ต่างด้วยเช่นเดียวกันว่าอารมณ์ต่างๆนี่มันเกิดได้ขนาไน่อยากเปรียบเทียบว่าจิตเนี่ยมันเป็นเครื่องรับวิถี คิดว่าตอบตรงประเด็นหกับ <c oughs> ปัญหาที่ท่านถามว่าตัวรู้เกิดจากรูปหรือนามเกิดจากกายห ใ, ใจเพราะอะไรนรี่ตอบตอบคิดว่าตอบตรงประเด็นไหมผมคิดว่างสมควรผมตอบมานถ้าขออธิบายให้ชัดกว่านี้อีกนิดหนึ่งได้ไมเท่าที่เข้าใจ <c oughs> ว่าว่าความรู้ขตัวรู้เนี่ยความรู้สึก ตัวรู้นี้เกิดจากรูะจากน้ำได้อย่างไรเนี่ยเกิดได้อย่างไรมนเกิดในนมหมาว่ามันมีอะไรมันแทรกเข้ามาในจิตอะไรแทรกตัวรู้เนี่ยมนแตัวรูมันตรูมีตลอดเวลาหรือว่าตัวตัวตัวรู้มีอยู่หรือเพิ่งแทรกเข้ามาเพิ่งแทรกเข้ามาอ๋อตัวนี้แสดงว่าคุณไม่รู้สึกตัวเลย พมันเพิ่งแทรกมาเป็นข่าวคราวแม้ขอความรู้สึกตัวที่ถามเนี่ยนะความรู้สึกหรือตัวรู้เนี่ยเกิดจากรูปเรนามหรือนามใช่ไหมคุณพบว่าเกิดได้ทั้งรูปทั้งนามอเกิดในนาเกิดในนามเออเกิดได้อย่างไรเกได้อย่าง้าตามที่ขึ้นครับว่าตามที่ผมว่าจะเจ้าหน้าที่ปรับ เออไม่ให้ไม่หอนเลยนะปรับไม่ให้ไมหอนไม่ใช่ปรัให้มันหอนนะฟังผิดเกิดจากการกระทบเกิดการกระทบนะรักข้ามาทุกเนี่ยตัวรู้มันตัวรู้มันจะเกิดตรงนั้นตัวรู้มันเกิดตรงที่การกระทบเรว่าจิตล กระทบที่รูปหรือกระทบที่นามมันกเข้ามากระทบที่รูปก่อนแล้วถจะส่งไปนามอ่าถ้าสมมติว่าเราไปกระทบเสาในเสามันจะรู้สึกหมไม่แต่เรารู้สึกใช่ไหมเพราะเราก็บเสาต่างกันยังไงว่าเรากับเสาต่างกันยังไงเราต่างกันยังไงครับเรามีนามแต่เสาไม่มีนามอ่าเพราะนั้นเวลากระทบ เราถูกกระทบก็ตามหรือเรากระทบเองก็ตามเราก็จะรู้ตัวรู้เกิดขึ้นเพราะการกระทบนี่นะเพราะนั้นเกิดได้ทั้งรูปเกิดได้ในรูปแร่นามเกิดเพราะว่ามีการกระทบะแต่คุณที่บอกว่ามันมีอะไรแทรกเข้ามานั้ น, ม, น, ม, นมันไม่ได้หมายถึงตัวรู้แต่หมายถึงตัวคิดและอารมณ์ใช่มมันก็เป็นตัวกระทบอันหนึ่งแต่มันกระทบทง้งทางจิต มากระทบทางอารมณ์ตัวเป็นนามารูปที่มากระทบแต่ต pues ัวรูปนามเนี่ยที่จะไปกระทบจิตเนี่ยมันต้องแปลงเป็นนามารูปเสียก่อนถ้ามันไม่แปลงเป็นมารูปมันกระทบใจหรือกระทบนามไม่ได้เพราะใจเป็นตัวนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปกระทบมันมันก็จะต้องเป็นนามด้วยกันแต่เป็นนามที่มีรูปแต่เป็นนามกระทบนามเนี่ยมันก็ไปเพิ่มกําลังให้เป็นนามกําลังสองนะแต่ที่มันมีรูป เข้าไปเหมือนเลน้ำใสตัวน้ําใสมันก็เป็นน้ําใสด้วยกันเพิ่มน้ําใสเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุอะไรตกลงไปในน้ําใสมันก็จะกลายเป็นมีสิ่งนั้นอาจจะไปทำให้น้ําขุนก็ได้นะตอนนั้นเรียกว่ารูปเนี่ยทำให้เกิดน้ามารูปน้ําขุนเนี่ยทำให้น้ําใสกลายเป็นน้ําขุนไปด้วยเข้าใจใช่ไหมเพราะจิตเดิมแท้เนี่ยมันคือน้ําใสใสเหมือนน้าใสๆนะ แต่พอมีรูปกระทบเข้าไปแต่รูปนั้นมันจะต้องเปลี่ยนเป็นนามรูปก่อนมันถึงจะทําให้น้ําขุนได้ถ้าสมมุติก้อนหินตกลงไปในน้ําน่ยจะทําให้น้ําขุนไหมเพราะเพราะมันคนล ะ, <c oughs> ค, นละคนละมวลสารกั บ, กบน้ําแต่ถ้าขี้ต้มตกลงไปน้ําทําให้น้ําขุนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะขี้ต้มมันใกล้เคียงกับน้ํา ตอนไอ้ตัวน้ำมารูปมันใกล้เคียงกับน้ำเพราะตกลงไปในน้ํำทาให้น้ามันขุนแต่ถ้าว่ามีอา่าสิ่งที่ความคิดเรื่องสติเรื่องปัญญาตกลงไปมันเป็นน้ําใสมันเป็นไม่ใช่น้ําแต่มันไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้น้ําขุนเช่นหินตกลงไปไงนนะมันไม่ได้ทำให้น้ําขุนแต่เราก็ใช้ได้เอาทองคํา วางลงไปในน้ําอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ทาน้ำขุณเอาแก้วลงไปในน้ําก็ไม่ได้ทําให้น้ําคุณเพราะว่ามันมันควรลายสารกันมันแข็งกว่าเพราะฉะนั้นน้ำมารูปจึงทําให้น้ากลายเป็นน้ามารูปไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเหลือให้เป็นน้ำล้วนๆก็ต้องไปแยกเอาน้ามารูปออกมาวิธีการแยกออกมาน้ารูปออกมาจากน้ํานี่ยทำอย่างไร ก็ต้องใช้สติสัมมชญาเข้าไปกรองอีกทีหนึง่งต้องกรองนอ้ํนาจะกใสเหมือนเดิมนะโอเค า, าทีพอวาูกให้มันห้น้ำรมันใะทบเากิดธาตุสัตมันกระทบแล้วมันถึงเกิดตัวรูปนามแต่ถ้าหากว่าสติเราไม่ทันมันก็เปลี่ยนเป็นนารูป เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวัตถุมากระทบถ้ามีสติเยรู้ทันมันก็เพียงแต่รูปนามแต่พอสติรู้ไม่ทันปับ๊บรูปนามก็กลายเป็นนามรูปเพราะจิตเข้าไปรับรู้และปรุงแต่งถ้าไม่ติดไม่ปรุงแต่งก็ยังเป็นรูปนามเหมือนเดิมเอาต่อไปคุณพรนภา คุณทตอบสั้นๆแต่มีความหมายแต่ต้องการคำอธิบายคุณทวีชัยคุณต้องเอาเปเปอร์ไปเลยเดียด๋วยวฉันจะเอไม่ไปอย่างเดียวไม่ได้ เข้าใจในคำตอบที่คุณตอบไหมออธิบายให้พวกฟังอีกนิดหนึ่งพ่อไหมตัวรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเด็ความเข้าใจเข้าใจว่าเป็นความคิดใช่ั้มความคิดกับตัวรู้เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่ง แต่หลวงพ่อกาลังถามว่าสิ่งที่ตัวรู้เกิดจากรูปหรือนามใช่มใช่ค่แะแต่คุณพลนภาตอบว่าตัวรู้เกิดจากน้ำเกิดจากน้ำไม่ได้เกิดจากรูปใช่หมไม่ตัวรู้เกิดจากนา ม, มนเกิดจากน้ำขึ้นใจที่สามารถเข้าไปดำรงการขึ้นของรูปในขณะที่คุณนอนหลับเนี่ยคุณมีนามไหม มีถ้าใครมาเรียกอยู่ไกลๆขณะที่กุหลับสนิทจะได้ยินไหม <S <S คุณมีนามใช่ไหม <S <S ทำไมไม่ได้ยินนะไม่ได้รับการกระทบอ่ะอะเพราะกายไม่พร้อมที่จะรับกระทบ <S <S ใช่ไหมเพาประสาทสัมผัสในใกาย <S 2> <S 2> <S เพราะนั้นแสดงว่าไม่ใช่ ตัวรู้ไม่ใช่เกิดจากนามเท่านั้นต้องผ่านรูปด้วยถ้ารูปไม่พร้อมที่กระทบนามก็ถึงกระทบก็รับรู้ไม่ได้เพราะนั้นกรรตอบว่ารู้เกิดจากนามจึงไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอ่าวเพราะนั้นก็ไปทําให้สมบูรณ์นะอ้าคุณพระวีชัยมานี้คุณละม่อมเขื่อนเมธีไม่รู้นะอ๋อเลยเขื่อนคล้อยหรือเปล่า เอาเปน็นถูกซ้ายขวาครับคุณทวีชัย <c oughs> เขาเรียกหาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแต่แบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใจใช่คุณลำมอ่อมตอบว่าไงตอบ คือเพราะการรู้สึกได้ของการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือไม่ว่าเช่นเราสร้างจักรก็จะรู้สึกการเคลื่อไวว่าขึ้นลงหยุดหรือการเรียนรู้รู้สึกว่าหนักเบาเกิดจังงานก็รู้สึกได้จากการอยู่ตับของเวทนาจิตอารมณ์ความพอใจไมใจจบใช่ไหมคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณตอบไหม อธิบายให้หว่อเข้าใจอีกครั้งหนึ่งวพ่ไม่เข้าใจคือที่เกิดจากรูปก็เวลาเราทร้างนบันความรู้สึกว่าการเค่นกก็เป็นรองไี่มองด้วยตาคก็จรู้สึกว่าัเนาฉะนั้นทัวลู่เกิดจากเกิดจากรูปนามเกิดจากรูปนามใช่ไหม แล้วต่อไปคุณอธิบายต่อไปว่าเรื่องการเกิดดับมีที่หมายความว่าไงการเกิดดับคือว่าอย่างสุว่าสร้างไปแล้วอยากนั้นนั่นกง ก, ง ก, ก, ก, กดดิการเกิดกิจกาขึ้นแล้วก็พอเราพอเราเกิดอนิจจบทมีขนาก็จะค่อยคหายไปก็เกิดการดับการกินการตอนที่ที่มีกิจกาตอนแรกจะเกิดจะเกิดแล้วก็พอ ความมหันต์ที่ดัดิขานาก็เราเดินที่โขดก็จะเป็นดับก็หมายความตัวรู้เกิดจากการเกิดและดับของรูปและนามคื อ, อ, อตรงนี้ตรงประเด็นน ะ, ะเพราะฉะนั้นว่าถ้ารูปนามไม่มีเกิดดับตัวรู้ก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมในกรณีที่การเกิดของรูปและนามทําให้เกิดตัวรู้เข้าใจได้อย่างไร ว่ารูปเรืนามนั้นมันทําหน้าที่รูปเป็นตัวเกิดนามเป็นตัวดับเพราะฉะนั้นระหว่างการเกิดดับของรูปเระนามก็ตัวรู้ก็เกิดขึ้นโดยโดยกําลังของการเกิดและดับเช่นก่อนหน้านี้ไม่มีเสียงนี้ใช่ไหมแต่พอการมีการเกิดการกระทบขึ้นมาระหว่างรูปต่อรูปแล้วมีนามเกิดขึ้นคือการได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นการเกิด ดับของรูปเนานก็คือทาให้เกิดอาการรู้ขึ้นรู้ทางสุตรประศาสตรลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเรียกว่าตัวรู้เกิดจากการกระทบหรืการกระทบคือ ก, การเกิดและการดับของรูปเรนานำเข้าใจนะเข้าใจโอเคเอาต่อไปโยมกระหนกพร น, นะกระนกพรนะกระนกวันคุณ ระวีชัยคุณไม่ต้องมองหาคุณเมาออที่ก่อนเลยคุณต้องนั่งลงก่อนเออแล้วก็เอาไปการฝึกไปใ น, นตัวคุณต้องมองขวามือของคุณขวามือของคุณขวาเดินอ้อมจะไกลนะ กนุกพรอดน้หน้าก น, นุนกพรยันหน้าคือข้างหน้าทังนี้คุณธมีชัยคุณเอาเข้าไมค์เข้าใกล้นิดหนึ่ง ตัวรู้เกิดจากตัวตัวไหนกันแน่ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้มีตัวรู้มีอยู่ก่อนรูปนามหรือตัวรู้รูปนามมีอยู่ก่อนตัวรู้ถ้าตัวรู้มาหลังรูปแล้วมันจะรู้รูปนามก่อนได้อย่างไรว่าตัวรู้มีอยู่ก่อนรูปนามหรือรูปนามมีอยู่ก่อนตัวรู้รูปนามก่อนตัวรู้รูปนามมีก่อนตัวรู้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทบตัวรู้จึงเกิดสิ่งที่มากระทบรูปนามก็ได้แก่อะไรรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสอารมณ์มากระทบเข้ากับรูปนามที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมแล้วเรียกว่ารูปนามก็เกิดตัวรู้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ตัวรู้ที่เกิดขึ้นแล้วมันดับไปหรือยังอยู่ดับไป เพราะนั้นตัวรู้นี่เป็ น, เ, เ, ปนเกิดแล้วก็ลงดับใช่ไ้มแต่ถ้าเป็นตัวรู้ที่เกิดแล้วไม่ดับมีมไหมตอนนี้คุณรู้สึกตัวไหมพรุ่งนี้คุณยังยุรู้สึกตัวอยู่ยไห ม, มใชม่มันยังรู้มันยังรู้สึกอยู่ไหม สมมติคุณยังไม่ตายนะยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ดับใช่ไหมเมื่อกี้คุณบอกว่าเกิดแล้วมันต้องดับอ่าตัวรู้ที่เกิดแล้วดับก็มีและตัวรู้ที่เกิดแล้วไม่ดับก็มีอเกิดแล้วดับคือกระทบครั้งหนึ่งมันก็ดับครั้งหนึ่งแต่ไม่มีการกระทบตัวรู้นั้นก็มีอยู่การเกิดดับเพราะไม่มีการเกิดแล้วไม่มีการดับเพราะตัวรู้ที่เหนือนอกเหนือการเกิดดับเรียกว่าตัวรู้โดย สัญชาตญาณที่มีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนโดยธรรมชาติแต่พอมีการกระทบเราเข้าไปรู้เข้าตัวรู้ตรงนั้นก็กลายมาเป็นตัวรู้เรื่องรูปนามเรียกว่าเป็นตัวสติอ่าเข้าใจนะโอเคอ่าต่อไปคุณธมีชัยมาหาหลวงพ่อเลยนะคุณอรพินคําสาวตอบสั้นๆแต่หลวงพ่อไม่เข้าใจเอาไปให้หนู่นคุณนลวงรพินอยู่ข้างหลัง เอาคุณไปเลยข้างหลังเลย <c oughs> บางทีต้องการคำอธิบายเพราะว่าหลายคนที่ยังไม่เข้าใจรูปนามก็จะรู้เข้าใจเมื่ออ่านแล้วก็อธิบายตามนั้นแหละ คนตอบก็ไม่เข้าใจคนตอบไม่ไม่ต้องอธิบายคำถามที่ถามจำคำถามหมองพ่อได้ไหมหลวงพ่อถามว่อ า, ายอย่างไงอ่าใช่เกิดากกจากรู้จักนามใช่ไหมเอ๊ะก็เป็นคำตอบเดียวกันกับคุณ พรนะพามุกี้ว่าตัวรู้เกิดจากนามหลวงพ่อเลยถามว่าในขณะที่อาตมาเรียกโยมอรผินแต่อุรผินยืนอยู่นู้นอยู่ตึกด้านนู้นแต่โยมอรผินไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ถามโยมโรผินมีนามไหมขณะขณะที่อาตมาเรียกมีนามไหมแต่ทําไมไม่ได้ยิน ถ้าหากว่าตั ว, ตวรู้เกิดจากนามแต่ทำไมจึงไม่ได้ยินมาเรียกอยู่ที่นี่เพราะว่ารูปเข้าไม่ถึงกันรูปของเสียงกระตมาเข้าไม่ถึงรูปของหูของโยมนามก็จึงไม่เกิดเพราะมันก็นามจะเกิดเพราะเมื่อมีรูปกระทบกันก่อนเพราะนั้นจะบอกว่ารู้ตัวรู้เกิดจากนามเนี่ยไ ม, ไม่สมบูรณ์เพราเกิดจากรูปนาม เพราะรูปต้องได้รับการกระทบก่อนนามจึงปรากฏใช่ไหมเออนี่คำคำตอบที่ถูกต้องทือว่าข้อคําถามที่บอกว่าตัวรู้เกิดจากรูปหรือนามหมตอตอบว่าเกิดจากนามอาศัยรูปเป็นโดยแสดงออกนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเกิดจากนามอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากรูปและนาม รูปน า, นามกระทบกันแล้วก็ตัวรู้จึงเกิดนะตัวรู้ที่เกิดแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยแต่ว่าถ้าตัวรู้นั้นเกิดโดยการกระทบแต่เราไม่ได้รับรู้การการกระทบมีอยู่เราไม่รับรู้ตัวรู้ถึงนั้นตัวรู้ตัวนั้นถือว่าเป็นรู้ในรูปนามหรือไม่อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้า ตัวรู้เกิดจากรูปเรื่องนามนมาถามว่าถ้าตัวรู้ตัวนั้นมีการกระทบรูปแระนามก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีการรับรู้ของเราเข้าไปรับรู้ด้วยเนี่ยจะถือว่าตัวรู้ตัวนั้นเป็นการรู้ในรูปในนามหรือไม่ไม่เป็นเพราะมันเป็นเพียงตัวรู้ของสัรชาติยานมีการรับรู้อยู่เช่นเสียงเนี่ยมากระทบเราเยอะแยะเลยตัวนี้นะ แต่เราไม่รับรู้ด้วยวิเสียงอะไรบ้างแต่รับรู้เสียงเดียวที่เรากาลังคุยกันอยู่ใช่ไหมแต่ขณะนี้มีเสียงแอร์เสียงพัดลมเสียงพูดคุยกันคนข้างๆก็มีอยู่แต่เราไม่รับรู้เสียงเหล่านั้นแต่มีการกระทบอยู่ก็จริงเ่ยแต่เราไม่ได้รับรู้แต่ขณะนี้เราเราับรู้ทางเดียวคือรับรู้ที่กําลังสนทนากันเ <Evet> ข้าใจนะเพราะฉะนั้นการรู้ทั้งที่มีการรับรู้และดูรู้ที่ไม่มีการรับรู้ดูรู้ที่มีการรับรู้เรียกว่าสติ รู้ที่ไม่มีการรับรู้เรียกว่าสันเติียานมีอยู่โดยทั่วไปใช่ไหมเข้าใจนะโอเคอต่อไปคุณมีชัยพอเสร็จตรงนั้นคุณมิชัยมานั่งใกล้ๆนี้เลยไม่ต้องนั่งเฝ้าผู้ผู้ฟังก็ได้คุณนุชคุณนุชนาดคุณนุชนาดมาไหมอ๋อตรงนี้ข้างหลังนี่ แล้วก็ ย่อๆให้ฟังครั้งหนึ่งก็จับประเด็นไม่ได้เนไปก็งงคนตอบก็งงเหมือนกันสตอบตอำเข้าใจดีกว่านะเออใช่ตอบตามที่บเข้าใจจะตอบว่าไงก็ต้องรู้ไปหาแบตเตอรี่มันนี้สองต้นเมหมดเลยสองเอสองเอ รูกก็ทํางานที่ของูกงานกล้วทำาน้าที่ของงานมันแยกส่วนกันอยู่แล้ ว, าา ว, ลวจากประสบการณ์ที่ที่ปฏิบัติก็เวลาเราเดินชมพงใงี้ก็รูกก็ทํางานภายในนาในส่วนของทําคิดความจำทำรู้สึกพวกนี้มันก็ทํางานออกมาตลอดเวลาเลยก็มันไรเรื่อยๆให้เราเห็นมันก็ต่าคนต่างทำงานแล้วก็เราก็จะรับรู้รับรู้ความรู้สึกไอ้รับรู้สิ่งพวก น, นี้ที่เกิดขึ้นได้ค นั่นหมายความว่าตัวรู้เกิดจากรูปนามทั้งที่เป็นรูปประทัดและทั้งจะเป็นรูปนามรูปประทัดกับรูปประขันรูปประขันเราเรียกว่ารูปที่เกิดขึ้นในใจเรืยกอิมเมจแต่รูปประทัดหมายถึงดินน้ําลมไฟคือรูปที่เป็นก้อนเป็นแท่งนี้เรียกว่ารูปประทัดแต่ว่าความรู้สึกของรูปคือรูปประทัดด้วย และความรู้สึกของนามรูป ค, คือที่เกิดขึ้นไปกระทบจิตคือสิ่งที่มากระทบจิ ต, ตนะก็เป็นตัวรู้เข้าใจไหมถามของ่อเหมืนเพราะนมันเกิดเอ่อเกิดเป็นญาณรู้ที่เกิดจากรูปปรูปธาตุแล้วก็ในส่วนของรูปปัจฉันมันก็มีกาย เ, เวทนาอ่ามันมีสัสญญา สัญญาเวทนาสัญญาเวทนาสัญญารัญญา ญ, ญาณเป็นรูปประคันไ อ, ไอตัวเนี้ยค่ะไอตัววิญญาณเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอะคะมันเป็นตัวเดียวกับรูปรรประท่ารอเปล่าเพราะว่าที่ที่ปฏิบัติเนี้ยก็ ร, รู้แต่ว่ามันในส่วนของความคิดความจําความรู้สึกเี้เรารู้ได้ค ร, รับดูได้รูปก็ดูได้ใช่แต่ว่าในส่วนของตัววิญญาณ ท, ที่หลวงพ่อที่กล่าวว่าวิญญาณเกิดจากขั้สี่กับวิญญาณในขั้นห้านี่มันตัวเดียวกันรึเปล่า อ๋อโยมลองหลับตาลงดิตาเห็นไหมไม่เห็นค่ะแล้มีตัวรู้อยู่ไหมรู้ค่ะตัวรู้มีอยู่ใช่ไหมค่ะเราลืมตาขึ้นเห็นไหมเห็รู้ในะขณะที่หลับตาก็ลืมตาต่างกันอย่างไรก็รู้ในขณะที่หลับตาเนี่ยก็รู้รับความรู้สึกที่เกิดจากประสาทสัมผัสแล้วก็ทางหูทางยกเว้นทางตา อรู้ในขนาดที่หลับตาเนี่ยเป็นการคิดรู้เป็นรูปประคันแต่ว่ารู้ในขณะที่ลืมตาเราเห็นตาทําหน้าที่เป็นวิญญาณในธาตุทาหน้าที่เห็นเข้าใจไหมขณะหลับตาลงเนี่ยแต่ยมเพล น, นึกอะไรออกใช่ไหม อ, อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณขัน วิญญาณในขันพอลืมตาปั๊บตาเห็นแต่ยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตาก็เห็นแล้วตรงนั้นก็เรียกว่าวิญญาณในธาตุตาทําหน้าที่คือการเห็นแต่เวลาโยมหลับตาโยโมก็ยังรู้ได้แต่รู้ด้วยการนึกคิดนั้นก็เรียกเป็นรูปขันเออเป็นรูปเป็นวิญญาณในขันห้าแล้วตัวธาตรู้มันก็คือมาจากธาตุสีใช่ไหมคะก็ธาตุสีคือวิญญาณธาตุอันนั้นคือความรุนรนล้วนแล้วไปตัววิญ ญ, ญาณ ก็คือเรานึกคิดเอาใช่เป็นตัวสมูทัยคือวิญญาณขันวิญญาณในธาตุสวิญญาณในธาตุหไม่มีปัญหาคือตัวรู้ดั้งเดิมเข้าใจไหมแล้วแล้วทำไมบางทีมันเหมือนกับมีอะไรที่มันรับรู้มันฉลาดมากเลยมันรู้เรื่องนั่นแหละเขาทำไม่ได้เพราะตัวนั้นเน่ยเราต้องการวิญญาณดั้งเดิมเพราเราว่าจิตดั้งเดิมคือวิญญาณในธาตุทั้งหไม่ใช่วิญญาณในขันห้า วิญญาณในขันห้ามมันเพิ่งเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบเช่นเวลาโยมเวลายมได้ยินเสียงใช่ไหมก็นึกว่าเสียงอะไรเสียงของใครนึกภาพบอกละใช่ไมใชสัญญาอ่าใช้สัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้เกิดในขันห้าใช่ไหมใช่อ่าแต่ถ้าหากว่าเราหลับตัวหลับตาลงเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยอยู่มาเกาะหลังเลยนะ เราจะรู้ได้ว่ายุงเกาะหลังทั้งๆที่ตาไม่เห็นน่ะแต่เราก็รู้อันนี้เขาเรียกวิญญาณในธาตุทั้งหกทั้เป็นเซนส์วิญญาณตัวนี้เป็นเซนส์แต่วิญญาณใดตัวรูปะขันเขาใช้คําว่าตัวไม้ไ c คอนเชสต์แต่ตัวตัวเซนส์หรือตัวคอนเชสต์เนี่ยคือวิญญาณในธาตุแต่ตัวไม้เนี่ยเป็นอ่าวิญญาณในขัน มันร่างกายคนเราขันท่า ก, ก็ประกอบด้วยบอดี้แอนด์มาในส่วนของกายแล้วก็ส่วนของมายก็คือความที่ความจําความรู้สึกแล้วก็รวมถึงตัววิญญาณ อ, อีกด้วยอเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมีสองตัววิญญาณในท่าและวิญญาณในขันวิญญาณในทตาคือเรียกว่าทาตหกใช่ไหมวิญญาณท่าและวิญญาณในขันมันเพิ่งเกิดตั้เมื่อมีการเกิดกระทบขึ้นมา แล้วเราจะพัฒนาตัวธาตุรู้ได้ยังไงคะเพราะว่าเอกตัวขันนี้มันก็มีของมันเป็นธรรมชาติคือเราไปทําอะไรมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวตัวขันเพื่อเกิดตัวเมื่อการกระทบไม่ใช่มีโดยธรรมชาติแต่วิญญาณที่เป็นในธาตุมันมีโดยธรรมชาติมาด้วยกันเราจะพัฒนาตัวนั้นเป็นจิตเดิมแท้เพราะฉะนั้นก็กลับมาสร้างตัวรู้เกิดจากตัววิญ ญ, ญาณธาตุนั้นแต่ว่ามันมีวิญญาณในขันเพราะวิญญาณในขันจะทําให้เกิดอยู่แต่อํานาจของไตรลักษณ์เป็นสมูทยัย เข้าใจมมทนาอ่าต่อไปคุณมีณณุิใช่อ่าคนที่ฟังแล้วถ้าเกิดสงสัยก็ถามต่อได้นะ ถ้สิ่งที่หลวงพ่ออธิบายไม่เข้าใจก็ถามต่อได้แต่ว่าทําเป็นเพเปอร์มาเป็นเชชันลงมาใส่กล่องนี้แต่ละวันที่เข้าเก็บอารมณ์แล้วคนไหนมีปัญหาอะไรหลวงพ่อไม่ได้อยู่เลยไปถามนี่นะคุณก็เขียนใส่กระดาษมาใส่นี้หลวงพ่อก็ตอบเป็นวันเอาต่อไปกุจิตัวรู้หรือตัวรู้สิตัวเกิดได้ที่ไหนาราะอะไรต่อว่า ตัวรู้หรือกิดตัวรู้สึกตัวเนี่ยเกิดได้ทั้งในลูกได้นางเกิดในรูปเพราะเพาถ้าเกิดในรูปคือ ก, ก็ก็จากการกระอบนั่นแหละแต่ว่าเราจะรู้การเกิดดับของอาการเคื่อนไปวของลูปคือการเคลื่อนอยู่นะแล้วก็รู้อาการเกิดดับของเวทน า, นานไปายูก คือหนักเบาต่างๆสบายไม่สบายบาพอทนได้เกิดในนามคือรู้การเกิดดับของความคิดและอารมณ์ต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะไปรองรับถึงจะรู้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะไปรองรับกนจะเกิด เ, เป็นนามรูปก็คือคือ า, าทางที่ที่การเคลื่อนไหว มันก well oh, ็จะรู้ที่การเคลื่อนไหวแต่ถ้าอบางทีมันอนักเคลื่อนไหวหนักเราเนี่ยเคลื่อนหยุดเนี่ยเราก็จะรู้หนักเราด้วยก็รู้ไปด้วยก็เป็นสนัมพันธ์อยาค่ะตอบของคุณเหมือนกับคุณอะไรนะอะไรนะฉนูกพนูกพรนะคำตอบเหมือนกันแล้วหลวงพ่อก็ตอบไปแล้วเข้าใจนะผ่านต่อไปคุณกุ้ง คนเก่าด้วยนะวงเล็บคนเก่าด้วยมีคนคู่คนใหม่ด้วยอเอย้นั้นอ่นนี้ขนาดใส่แวน่นต้องใส่แว่นอีกอันนึงหมดเลยทไม <c oughs> ให้มากๆโดยต่อเนื่องจึงจะเข้าไปเห็นตัวรู้ได้โดยไม่ต้องตั้งใจหรือจงใจรู้คีดว่าคําตอบของคุณตรงประเด็นที่ถามไหมไม่ตรงคุณอธิบายอีกทีนี่ยลวงคำถามใหม่ว่าถามว่าตัวรู้เกิดจากลูกหรือนามเพราะอะไรใช่ไหมเออคุณตอบโดยโดยให้เข้าใจนิดหนึ่งแต่เมื่อกี้หลวพ่อฟังเราไม่เข้าใจ อธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยอธิบายครับผมเอาเฉพาะเรื่องลูกตัวรู้เกิดจากรูปหรือนามเพราะอะไรนามน้ำน้ำรูปคือสักิแต่ว่ารู้ไม่เลยลูกรูกผมเกำลังถามว่าตัวรู้เกิดจากรูปหรือน้ำตัวรู้เกิดจากรูกหรน้ำนะะใช่ก็เกิดได้ทั้งลูกและนาำเพราะอะไรเพราะว่า ต้องมีการกระทบกันก่อนจังอ่านี่นแสดงว่ารู้คําตอบแล้วนี่ <c oughs> คําตอบล้วนใ ช, <c oughs> ใช่มีการกระทบนะการกระทบระหว่างรูปต่อรูป <c oughs> ก็เกิดนามงั้น <c oughs> ทาไมไม่คุณไม่ตอบอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> คนละตอบคนละเรื่องเดียวกันอ่าต่อไปคุณกระนบวันซูเกะเซม เอเมกี้ตอบไปแล้วหรือเปล่าคนละคนเนะเอาคนละคกันละกระหนกวันเนี่กนกพรต้องทางโูกนันทางโรกนานมีสปิรู้ถึงกายหนักเบาเวทนานาตาได้แต่ความเจ็บัวดาอากที่ร้อนโดยมีตัวรู้ซึ่งเป็นงานมาลับรู้แล้วก็า มีสติรู้ถึงความกวลรู้ถึงความเครียดสางและความเบื่อรู้ถึงใจที่ชอบวาใจไม่ได้ยินเสียงรบเร้าพาดูจังกาใจไม่ได้ยินเสียงบเข้าใจั้ยที่ตัวเอง่ะตอบอันที่สองนะ คือตัวรู้รู้เกิดจากรูปหรือนามก่อนรเข้าใจว่าตัวรู้คือนตัวรู้คือนามแต่มันเกิดจากอะไร่าว่าเฉนาพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีูก็คือะม่มเ่น่ไหนความเข้าใจของของเธอเข้าใจไม่ว่าตัวตัวรู้นี่เกิดจากรูปหรือนามแต่ยาเที่หลวงพ่อตอบหรือ่เอาคนอื่นตอบอาชญบัพที่เธอเข้าใจ คือขึ้นอยู่กับถ้าเป็ตัวรู้ทางกาเช่นกายาหรือว่าเวทนาจะเป็นมารูปนะเพราะว่าเราตับรู้มันตายเลยนะแต่ว่าเวทนาเนี่ยโยมเข้าใจว่าเป็นับรู้อารมณ์ซึ่งมันก็ไดงเวนาไปถ้าสมมติว่าหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่ไหมในเสียงจักเข้าไม่ไม <_ d ance> ไม้นี้เป็นรูปนะแต่ไมเนี่สามารถรับเสียงได้เนี่ยมันเป็นนามของไม่เพราะนั้นมันอาศัยกันแล้วก็สมมุติว่าเป็นนามของไม่ก็แล้วกันแต่ลักษณะเดียวกันเพราะรัฐอาแต่รูปเนี่ยมันไม่มีนามก็คือมันไม่ทําหน้าที่แค่เพราะว่ามันกระทบเสียงหลวงพ่อคือรูปใช่ไหมแล้วตัวตัวไม้นี่ก็เป็นรูปแต่ในตัวในรูปเนี่ยมันมีเหมือนนามอยู่คือเซ็นเซอร์ของมัน มันก็ทำหน้าที่แต่ถ้าสมมติว่าพ่อจะเอาตัวนี้แทนใหม่เนะี่ยไม่ดังเพราะมันเป็นไม่มีนามคิดว่ามีเซ็นเซอร์ของมันแ ต, แต่ถ้าสมม ต, ต, ติว่าอยู่ดียมที่ึงเร่อกแล้วยมก็โผลัขึ้นาเริ่มเนี้มันก็ก็มีูปม่อความคิดนหนึ่งเป็นรูปความคิดเป็นรูปอันหนึง่งเขาเรียกว่านา ม, มารูป นามรูปถึงกระทบจิตนามรูปกระทบตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้แต่กระทบจิตเท่านั้นอ่าความคิดเนื้คือนามรูปมากระทบจิตเพรานามรูปเกิดจากอดีตอนาคตที่เราคิดขึ้นมาแล้วโกรธใช่ไหมเรียกว่านามรูปเป็นรูปอันหนึ่งแต่วันมันเกิดจากนามนั่นแหะตัวนั้นแหละเป็นเหตุของทุกข์เข้าใจนะถ้าเป็นรูปอย่างรูปอะไรรูปของเสียงหรือรูปของกลิ่นหรือรูปของรถ หรรูปของสวยๆความคิดคอวเราคิดเรื่อต่อไปเออันนั้นนํามารูปคือความคิดเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเธอไปเห็นคนนี้อทาํามังเอกให้เธอดูนะเธอก็ไม่พอใจใช่ไหมเพราะไ อ, ไอตัวมง ก, กเนี่ยคือรูปใช่ไหมรูปอย่างเนี้ยเข้าทางตารูปของมือเนี่ยมันเข้าทางตาแต่รูปของเชื่อความคิดเนี่ยมันเข้าทางใจแต่ว่ารูปที่เข้าทางตานี่ก็ถ้าเรามีสตริรู้เสียมันก็ ไอ้คนที่ชมมึงอ๋ให้เธอเนี่ยก็ไม่ทําให้เธอโกรธได้เพราะเธอไม่ได้สั่งนำมารูปขึ้นมาเธอรู้เท่าทันใช่ไหมตัวเนี้ยตัวรู้ก็เกิดจากอาสองอย่างหนึ่งเกิดจากที่เรารู้ทันก็ไม่เกิดให้เกิดนำมารูปสองตัวรู้ที่เกิดขึ้นเธอรู้ไม่ทันก็เกิดเป็ น, นำมารูปก็เกิดไปสมุทัยของทุกเข้าใจนะ <Okay. S 1> โอเคปอนเอาต่อไปคุณอันนี้กหนกวันอีกคนหนึ่ง mm hmm. เออเมื่อกี้คุณกอลวันเนาะคุณเก๋อะ คันเก๋อยู่ในเอิร์นนั่นค้าง่าคนใหม่ล้วนๆเลยนี่แน่คนนี้ไม่มีชื่อผ ม, ผมพ่อก็ไม่รู้เป็นของใครไม่เขียนรายชื่อมาตอบดีนะแต่เสด็จได้ไม่มีชื่อคุณเก๋เไงเข้าใจครับถามเนาะที่แรกที่สองว่า ผูรู้คือจิตหรือใจเป็นนามเพราะในขณะที่เราสร้างจังหวะสิบสีจังหวะเกิดรูปใจซึเป็นนามเป็นตัวเรารู้ตามจังวะนามเป็นสิ่งที่ไปรับรู้รูปและนามด้วยกันส่วนรูปเป็นสิ่งที่มาทําให้นามรู้สรรพสิ่งที่เป็นรูปและเป็นรูปก็จริงแต่ก้าวขั้วผมก็สนใจนาก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวเขาเข้าใว่าผู้รู้เนี่ยเป็นนาม ว, ว, ว่าอธิบายว่าตัวตัวผู้รู้เนี่ยจะเกิดได้ จ, า, จกดากการที่เกิดรนะูปแล้วนามกระกทบกันเกิดแนรูปและนามกระทบที่รูปและนามกระทบกันที่เกิดตัวรู้ใช่ไหมนะตัวรู้ชนิดที่เพิ่งเกิดเราขอถามตัวรู้ตัวเนี้ยนะนะเกิดเพราะรูปและนามเพราะอะไรเพราะว่าสองอย่าง มากระทบกันกระทบกันระหว่างรูป ก, กับ น, น้ำแล้วเกิดตัวรู้ขึ้นมาแค่นี้นะสั้นๆ น, นะเข้าใจโอเคอ่าของคุณวิไลทันยะประทีบใช่ไหมออนั่งใกล้ๆกัน เราจะตอกย้ำเรื่องรูปนาให้ชัดเจนนะหลายๆมิติถึงแม้จะเป็นคำถามคำตอบที่ซ้ำซากกันแต่ทาการให้ชัดเจนขึ้นนะเอาคุณวิไล วิญญาณทางตาที่ไปรับรู้เพราะว่าอันนี้คืออายะนะทั้งภายในและภายนอกของกายต้องกันก็ทำให้โดนคปทำเช่นสมมติว่าเห็นอาหารก็คือตาที่รับร้อาหารแล้ใจเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชอบชอบนี่คือการทำงานของวิญญาณทางตาวิญญาณทางตา เคยเข้าอบรมมาหลายครั้งเนาะมีคนรู้ละเอียดมากเลยเพราะฉะนั้นแต่และเขาแต่ละคนที่ตอบมาเนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีแต่ว่าหลวงพ่อต้องการคําตอบทสั้นว่ารู้ตัวรู้เกิดจากรูปหรือนามเพราะอะไรใช่ไหมแต่ก็อธิบายได้ชัดนะแต่ว่าต้องการโฟกัสประเด็นว่าเพราะอะไรเพราะมีการกระทบนะมีการกระทบขึ้นแต่อธิบายว่ากระทบ อธิบายถึงเรื่องรูปรูปในขันท่าและรูปธาตุก็เป็นตัวรับกระทบแต่ในส่วนนามก็นามคือตัวตวิญญาณตัวจิตวิญญาณเป็นตัวนามคือตัวรู้ซึ่งก็กระทบแล้วก็เกิดรู้ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นนามมีอยู่ก่อนแล้วนะเวลาไปกระทบมันก็ดังขึ้นมามันก็ก่อให้เกิดตัวรู้ใหม่ขึ้นมานะตัวรู้ใหม่ที่เรารับรู้ได้นี่คือเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะ แต่รู้เก่าที่มันรู้โดยสัญชาตญาณก็เลือรู้โดยสัญชาตญาณ น, นี่ไปเป็นตัวตัวรู้ที่ว่าเป็นวิญ ญ, ญาณธาตุวิญญาณขันพึ่งเกิดตอนนี้มันมีการกระทบแล้วทําหน้าที่แต่วิญญาณธาตุเป็นวิญญาณที่ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเราเคยเจวันเอาต่อไปคุณยุย้ยนะวิวีระวิระเทรดาพร น, นะ เขาให้โอกาสทั้งคนเก่าคนใหม่สาวอารมทั้งคนเก่าคนใหม่ คุณสรุปสั้นๆกว่านี้ได้ไหมหลวงพ่อฟังไม่รู้เลยด <c oughs> ูสั้นๆดูอีนิดหนึ่ง <c oughs> คือเอาใจความเข้าใจของคุณอ่ะคุณไม่ต้องเอาที่คุณเขียน เราเรียกมันว่าอะไรที่มันมากกว่านี่เอาเป็นสตีเอาเป็นสตีเ <c oughs> ออน่อเออเลสมมติชื่อมันเนาะแต่เราก็ให้รู้สักแต่ว่ารู้นะถ้ารู้เท่าที่มันรู้เนี่ย <c oughs> เรียกว่าเรารู้รูปนามแต่ถ้ารู้ที่มากกว่ารู้นั้นมันไม่ใช่รูปนามแล้วมันเป็นอะไรเป็นรูปเป็นนามว่ารูปเป็นสังขารเป็นวิญ ญ, ญาณไปเรื่อยๆใช่ไหม ก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์แลรู้มากกว่าที่รู้เพราะนั้นเราต้องการนีว่ารู้สักแต่ว่ารู้คือรู้เท่าที่รู้วันเถอะรู้ก็จบรู้ก็จบแต่ถ้าจะเป็นต้องรู้มากกว่านั้นต้องมีเหตุที่จำเป็นเช่นว่ารู้ว่าหิวน้ำอย่างเงี้ยนะมันก็จะต้องรู้ต่อไปว่าน้ำอยู่ที่ไหนจะไปอย่างไรรู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการใช้สติสัมปชัญญะละใช้ปัญญาแต่ว่า รู้สึกหิวน้ำแล้วก็ไม่ไปกินเอ้ยเมื่อไหร่เนะี่ยเขาจะานำมาให้กูดืม่มงเงี้ยน้ำอยู่ที่ไหนเขาคิดอยู่ยงเง้ยน่ะลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันไม่จําเป็นแต่เราก็คิดลักษณะนี้เป็นสังขารทําให้เกิดคุณมวยใช่ไหมจะคุณหิวน้ำคุณก็เดินไปที่น้ำคุณก็ดื่มน้ำคุณก็จบอันนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นสมุทยัยเพราะว่าความรู้นั้นเป็นจริงตรงที่เราทําตามได้แต่คุณคิดแล้วคุณอยากดื่มน้ำหิวน้ำไม่ไปดื่มน้ำ คุณก็เมื่อยหิวแต่คุณก็คิดอยู่นั่นแหละใช่ไหมทั้งๆที่จะต้องไปดื่ม่อให้มันจบแต่มันก็ไม่จบลักษณะนี้นก็เป็นสังขารเป็นสมุทัยล ะ, ะความหิวเหมือนกันหรือว่าอันหนึง่งคือได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องเลือกเป็นสติปัญญาไปอันหนึ่งไม่ไม่ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องกลายเป็นตัวตัณหาประทานไปแต่ความคิดเหมือนกนอันนี่เขาเรียกว่ารู้มากกว่ารู้เข้าใจไหมอโอเคอ้าใจไปคุณละไม ข้างหลังข้างหลังนู่นกำลัูเคลื่อนไหวหนักเบา อันนี้คงจะเป็น อ, อันนี้ข้อสอบวันก่อนไม่ใช่ข้อสอบข้อนี้นะข้อสอบข้อนี้ข้อสอบอันก่อนนั้นถามว่าความรู้เฉยๆกับความรู้หนักรู้เบาหนักต่างกันยังไงใช่ไหมข้อสอบเก่าของเราใช่ไหม อ, อ, อันนั้นข้อสอบนั้นอันนี้เอาตัวนี้มาสอบสําหรับคนเก่าก็แล้วกันเดี๋ยวทำไมว่าความรู้ตัศึกตัวเฉยๆกับความรู้หนักเบาต่างกันอย่างไรความรู้นั่นไหวหนักเบานี่เป็นการรู้ด้วยสติ คือเราจะเห็นอาการหนักเบาแล้วก็มันก็จะดับไปมีลักษณะถ้าเราเห็นนะคะแต่ถ้าถ้าเรารู้เออซื่อๆหรือว่ารู้เฉยเฉยเนี่ยก็คือเราเราก็จะรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวเฉยเฉ่ยโดยที่เราไม่แยกแยะว่าเป็นหนักเป็นเบาก็รู้แต่ว่าการเคลื่อนไหว เท้าเท้าเครื่องไหวแล้วก็คือในเชินี่ค่ะอันนี้เป็นคําถามใหม่แล้วนะคำถามว่าความรู้สึกเฉยๆควารู้สึกต่างกันอย่างไรอยากจะได้สักสองคำตอบค่อยังไม่เฉลยนะเอาขอคําตอบสั้นอีกทีนึงโยนมาใหม่ว่าความรู้สึกตัวเฉยๆกับรู้สึกตัวหนักบอต่างกันอย่างไรสั้นๆคือถ้าเป็นความรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยคือเรารู้สึกตัวที่ไม่มีการ ให้ข้าไม่มีการไม่มีการตัดสินว่าผิดหรือถูกหนักหรือเบาอะไรเงี้ยอันนั้นคือความรู้สึกเฉยแต่ถ้าเป็นความรู้สึกหนักเบาเนี่ยมันยังเป็นการให้ข้าอยู่ว่าตรงนี้มันหนักตรงนี้มันเบาตรงนี้มันไม่เท่ากันซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างกับตรงนี้แล้วกัอขออีกตอบหนึ่งของคุณมรกฎ คำตอบคำถามเดียวกันความรู้สึกตัวเฉยๆคนผพก่อ น, นเนต่างกันอย่างไรแต่ยังไม่เฉลยนะกับคําถามนี้เดี๋ยวขอคําตอบสักอีกคำถามหนึ่งตัวอย่อางขอความรู้สึกตัวเฉยๆและความรู้สึกหักเบาเช่นเวลายืนจะทำความรู้สึก ตัวว่าร th ูปยืนตั้งแต่ศักรถส้นเท้าบางครั้งปวดทุกข์ในเท็นน้อยเป็นการกระลึ้รู้แบบทั่วทั่วไปไม่เจาะตงแต่ขณะเดียวกันจะรู้สึกว่าเมื่อยืนมีน้ําหนักกดหนักที่ส้นเท้าเหมือนสติมันจับความรู้สึกตรงนั้นก็จะเป็นความรู้สึกหนักหรือเก้าขาขาออกมาน้ําหนักก็จะถ่ายออกมาที่ขาหน้าเป็นหนัก อาลังเป็นเบา้าแล้วก็ไหวไม่เกียบเกิดตักทีจ้่ะโอ้โหคำตอบละเอียดมากเลยอถ้าหลวงพ่อจะตอบว่านีหลายคนนะที่ที่ถามที่ตอบคาถามตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนคนเก่าเนาะคําถามนี้สั่คนเก่านะเพราะฉะนั้นเราต้องการคําตอบที่สั้นกระทัดรัดเนี่ยเรจะตอบว่ายัางไง ความรู้สึกเฉยๆกับความรู้สึกหนักเบาต่างกันยังไงถ้าสั้นกว่านี้ได้ไหมอ ต, ต, ตอบสั้นกว่านี้ได้ไหมการมีสติเราตื่นรู้แล้วมีสัพพัญญามาเพิ่มคนเก่าหลายคนวันนั้นเนาะเอ๊ะคุณสงเกตได้เป็นคนเก่าตอบปัญหาคนเก่าคนใหม่วันนั้นนะ <ผม S 1> คนใหม่ <laughs> เอาคุณคุณนุชคุณต่อว่ายังไงว่าความรู้สึกเฉยๆกับความรู้สึกหนักเบาต่างกันไงจําได้ไหมไม่ต้องจําเอาความรู้สึกตัวของคุณน่ะ เราว่าคุณไปได้สับลึกๆมาเยอะเลยความ ร, รู้สึกหนักเบาเนี่ยมันแต่เราเรามันต้องใช้ความคิดเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าเราจะต้องบอกได้ว่ามันหนักหรือมันเบาแต่แต่ตอนที่ตอเนี่ยมอ ง, มองถึงจุดของเลิกของการเกริดดบวว่าหนักเบาเนี่ยมันจะเห็นการเกริดับ การเกิดของความหนักแล้วก็การกลับใจเมื่อเมื่อเรายกขาอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกเฉยเฉก็คือทํารู้สึกที่เที่เรรับรู้รับรู้แต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าหนักเบามันเป็นยังไงก็คุณมันมันเป็นอะไรก็คือรับรู้เปตรตรงหลวงพ่อต้องการคำตอบว่าความรู้สึกเฉยเฉยเป็นนามความรู้สึกหนักเบาเป็นรูป เออความหนักมันมเบาคือเป็นรูปไงแต่รู้สึกเฉยๆมันก็คือสักแต่ว่ารู้อ่ะก็เป็นนามเป็นรูปอ่าใช่ไหมความรู้สึกหนักเบาเป็นรูปนามความรู้สึกเฉยๆเป็นนามล้วนๆแค่นั้นมารู้สึกนกเบา็เป็นรูปนามความรู้สึกเฉยๆเป็นนามล้วนๆแค่นี้จบอ่า เนี <c oughs> คือไฟล์รูปหรือรูปดาวเอาละ่ะคุณทวีชัยไปไล่เก็บปัญหาที่เจ้าของตอบปัญหามาให้หมดองค์พ่อจะรู้ว่าใครบ้างตอบไปแล้วเพราะวันพรุ่งนี้จะได้ถามกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้ตอบอทุกคนโชว์ไฟเปเปอร์ด้วยคุณวิชัยสําหรับวันนี้จะให้การบ้านสําหรับคนที่ไม่ได้ตอบปัญหาวันนี้นะอีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นคนที่ตอบปัญหา ไปแล้ววันนี้ไม่ต้องตอบคําถามที่หลวงพ่อถามวันนี้นะแต่จะให้คนที่เหลือทั้งเก่าและใหม่ที่ไม่ได้ส่งที่หลวงพ่อไม่ได้ถามวันนี้เนี่ยให้ไปตอบคําถามแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาสอบอารมณ์กันที่ตรงนี้โดยใช้คําถามที่จะถามใหม่นี่นะแต่สําหรับคนที่ทําหน้าที่ตอบตอบวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่ต้องตอบที่คําถามใหม่นี้นะและเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ตอบ เพราะว่าเดี๋ยวปัญหาทั้งสองอย่างมันซ้ำกันมันได้คำตอบหมดละแต่นี่เป็นเป็นคำถามใหม่ได้เลยอย่างโอ้โหซอนไว้ลึกเรื่อกเกินนะใส่ลงปรมาพิไทยแล้วบ้างนไ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะน้องออกไปประกาศไปราชกิจจ้าอ่าอันนี้คือตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นคนบุคคล จำนวนนี้นะไม่ต้องตอบปัญหาที่จะถามตอนเย็นนี้นะแต่คนที่จะตอบคือคนที่ไม่ได้ส่งที่ไม่ได้ถามวันนี้เป็นการสอบอารมณ์เ็นตัวของพ่อเขาสรุปผลว่าต้องการให้เน้นให้รู้ว่าความรู้ที่เรียกว่าวิญ ญ, ญาณเนี่ยมันมีสองระดับระดับที่เป็นรูปประธาต์และระดับเพนเป็นรูปประขันวิญญาณในธาตุและวิญญาณในขัน ตัวที่เป็นตัวรู้ที่เราต้องการใช้ให้เป็นสติสัมเพรยะ ล, ะล้วนๆเนี่ยมันเป็น ต, ตัววิญญาณในธาตุในในธาตุหกและตัววิญญาณในธาตุหทนี่เองมันจะเป็นทั้งได้ทั้งสัญชตาตญาณและปัญญาาณถ้าเมื่อใดมีสติสัมเพรยะตัววิญญาณในธาตุนี้ก็จะเป็น พิปัสนาญาณเป็นญาณเป็นปัญญาแต่ถ้าเมื่อไราขาดสติสมัมปชัญญะตัววิญญาณในธาตุนี้ก็จะกลายเป็นตัวรูปขันนะวิญญาณขันวิญญาณขันเป็นสัญชาติยานในการเป็นวิญญาณขันไปแต่ถ้าหากว่ามีสติวิยะมันก็ยังคงเป็นวิญญาณธาตุแต่พร้อมที่จะเป็นญาณปัญญาได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าจิตเดิมแท้แต่วิญญาณที่เกิดจาก ธาตุถักขันห้าเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นสมูทัยให้เกิดทุกข์เมื่อเราเห็นแล้วเราชอบไม่ชอบเนี่ยนี่เป็นวิญญาณในขันล ะ, ะแต่เรารู้ว่ายุงมากวนแล้วมือไปกวนไปไปของมันเองเนี่ยอันนี้เป็นสันชาตยานแต่ถ้ายุงกัดเรารู้ว่ายุงกัดสักแต่ว่ารู้แล้วก็ค่อยไล่มันไปโดยที่ไม่รู้สึก เกลียดกลัวหรือไม่รู้สึกว่าอยากจะฆ่ามันทําหน้าที่ปกป้องตัวเองอันนี้ก็คือตัววิญญาณในธาตุแล้วก็เปลี่ยนเป็นสติสัมยาต์ตรงที่ว่าเรารู้แล้วเขไปทําหน้าที่เท่านั้นเองแต่เมื่อไห ร, ร่รู้มือปล่ยไปด้วยความกลัวหรือความไม่รู้มันก็เป็นเป็นวิญญาณขันไปเลยความความกลัวก็เกิดตัวนี้เป็นสมูทายให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นตะัว น, นี้ก็ให้ <c oughs> ให้ไปทบทวนให้ดีเพราะเราจะได้ไม่สับสนนะ ถึงแม้เราไม่รู้ปริยัติเลยเนี่ยเราก็าสามารถรู้ตรงนี้ได้เพราะในตัวนี้เองเขาเรียกว่าเป็น conscious ไอ้จิตที่มันเป็นวิญญาณเดิมแท้นะเป็น conscious แต่วิญญาณที่มันเกิดในในนี้เขาใช้คาว่า spirit บ้างใช้ว่า mind บ้างนะแล้วแต่เราจะใช้ตามอาการของไอ้นามลูปที่มันเกิดนะก็เป็นอันว่าใน ช่วงเย็นเนี่ยเราสอบปรลมแค่เนี้เดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งคำถามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบปัญหาวันนี้ที่จะมาตอบวันพรุ่งนี้นะจะจดเล่วหนึ่งจดดีกว่าเนออา้อฮะลืมแน่แนเดี๋ยวผมพ่อเขียนก่อนเอาเขียนไปด้วยก็จำไปด้วยก็ได้ผมพ่อจะทวนให้ ที่นี่สําหรับสําหรับผู้ใหม่ที่นี่นเราใช้กระดาษเปล่ามันไม่มีอเนาะแต่ละคนมีกระดาษอยู่แล้วไหมมีไหมในห้องมีคนะ่ะในห้องมีเนาะโอเคอก็จําไปก่อนก็แล้วกักนเนาะคําถามสั้นๆไม่ยาวหรอกคำถามสั้นๆเออนู่นๆคุณทวีชัยมาแจกแล้วงั้นให้สองข้อเลยกระดาษเยอะเนี้ยกระดาษมันเยอะให้สองข้อเลย ครับ เอานะความรู้สึกตัวเนี่ยเปลี่ยนไตร ล, ลักให้เป็นตรสีขาได้อย่างไรไม่ยากนะอันนี้รุ่นเก่าอย่าไปอธิบายให้คนใหม่ฟังไม่ได้นะอันดอบต่ำพอความรู้สึกตัวเนี่ยเปลี่ยนไตรลักคงรู้แล้วแต่ละคืออะไรเนาะว่ามาหลายวันละความรู้สึกตัวเปลี่ยนใจรักให้เป็นใจสีขาได้อย่างไร ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งรูปโรค ก, ก่อให้เกิดนามโรคได้อย่างไรนามโรค ก, ก่อให้เกิดรูปโรคได้อย่างไรนามโรคโรคนะนามโรค ก, ก่อให้เกิดรูปโรคเฮอแมู้สึก เรียยากเลยคือว่าโลกทางจิตเนี่ยก qu ่อให้เกิดโลกทางกายได้อย่างไรเอาง่ายๆเอาความนามโรคเนี่ยก่อให้เกิดรูปโรคได้อย่างไรความไม่สบายใจเนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่สบายกายได้อย่างไรอันนี้ภาษาหลวงพ่อเทียนรูปโรคนามโรคนี่นะแต่ภาษาเราก็คือความไม่สบายใจก่อให้เกิดความไม่สบายกายได้อย่างไรสองข้อ อันแรกคือความรู้สึกตัวเปลี่ยนไตรักให้เป็นใจสิรษะได้อย่างไรเอาไปตอบทั้งคนเก่าคนใหม่ห น, นะตอบตามหรือเอาคนเก่าตอบข้อนึงคนใหม่ตอบข้อเดียวบแบ่งคนละข้อนะโ okay. อเคอ้าวคนเก่าตอบว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเปลี่ยนใจรักให้เป็นใจสิรษะได้อย่างไรคนใหม่ตอบว่าความรู้สึกไม่สบายใจก่อให้เกิดความไม่สบายใจได้อย่างไรคนใหม่นะ ความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายกายได้อย่างไรนี่คนใหม่สำหรับคนเคยปฏิบัติมาแล้วตอบว่าความรู้สึกตัวสามารถเปลี่ยนใจรักให้เป็นใจสิรษะได้อย่างไรคนละข้ออ่ ะ, อะคนเก่าคือข้อแรกใช่ไหมคนใหม่คือข้อที่สองคุณวิทูลจำได้เนาะโอเคไม่ตอบ ตอบไม่สมบุรณตอบให้ต้องมีเพเปอร์ก่อนเพรงั้นไม่มีลายลักษณ์อักษรถือว่ามั่วนังยุ้ยอุ้ยอุ้ยจำได้น ะ, อะตอบอยากจะตอบข้อหนึ่งหรือข้สองหรือตอบทั้งสองข้อไม่ว่าแต่ว่าเอาคนใหม่เน้นอยู่ที่ว่าความรู้สึกไม่สบายใจใยกตัวอย่างด้วยนะยกตัวอย่างอธิบายด้วยคนที่ตอบมาเมืเ่อกี้ที่สอบบัลลันนี้ก็ไม่ต้องตอบ แต่จะไปบอกข้อสอบให้คนใหม่ไหมคนนี้ยังไม่ตอบไม่ได้นะก็เ น, นี่ยมีรายชื่ อ, อนี้หมดทุกคนที่ตอบไปวันนี้นะเพราะคงจําได้อยู่ตกลงเวลาที่เหลืออยู่วันนี้พ่ออยากให้ไปปฏิบัติอีกหนึ่งชั่วโมงนะสามทุ่มค่อยนอนพ่อเราเก็บอารมณ์อันนี้ถือว่าเสรหรือว่าสอบอารมณ์นะอ้าวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยเราจะได้กลับพร้อมกัน